เพความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายการบรรยายประศุทธ์ในวันนี้ก็จะพูดถึงเวลามาสตรเป็นประสูทธ์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงสําหรับคารวะโดยเฉพาะเป็นการปฏิบัติโดยลําดับอํานวยผลให้โดยลําดับมีข้อความมันเป็นเบื้องต้นว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ พระเจตะวันกรุงสาวัตถีวันหนึ่งได้อนาถบินธิกะเศรษฐีได้ข้าวมาเฝ้าผู้เจ้าได้รับสั่งถามว่าเป็นไงในสกุลของเธอยังให้ทานอยู่หรือท่านบอกว่ายังให้อยู่แต่ว่าให้เหมือนเดิมไม่ได้ก็ให้ของเท่าที่มีมีน้ำผักดองมีข้าว ซึ่งก็ไม่ใช่ประเภทดีพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าไม่เป็นไรหรอกการให้ทานนั้นไม่สำคัญอยู่ที่วัตถุซึ่งประณีตแต่ก็อยู่ที่จิตใจซึ่งประณีตาหากว่าบุคคลผู้ให้ทานไม่ให้ด้วยความศรัทธาไม่ให้ของออไม่ให้โดยความเคารพไม่ให้ได้มือตนเอง ไม่ให้ด้วยความเชื่อในกฎแห่งกรรมแล้วบุคคลเหล่านั้นจะมีอัธยาศาัยโน้มน้อมไปในการไม่บริโภคใช้ขอยใช้สอยสิ่งของซึ่งประนีตที่มีค่าแม้บริษัทบริวารลูกข้าทาสบริวารต่างๆของเขาก็จะไม่อยู่ในโอวาทคำแนะนำสั่งสอนของบุคคลเหล่านั้น นี้เป็นตอนหนึ่งนะคคือในคราวหนึ่งนั้นท่านอนาถบินดิกะเศรษฐีตามประวัติตอนหนึ่งที่เคยเล่ามาให้ฟังแล้วท่านทำบุญมากสงเคราะห์คนมากไปตั้งโรงทานขึ้นหน้าบ้านตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าอุบัติแล้วตอนพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาท่านก็ลงทุนสร้างประเชศตะวันในทั้ง54โกฎแล้วยังเลี้ยงพระสงฆ์วันตั้งัน ไปจ่ายแย่รยได้ก็หมุนเข้ามาไม่ทันแล้วก็เงินเกิดหายไป45สิบหโกดก็ไม่มากเท่าไหร่สำหรับท่านแต่ก็ทำให้ท่านจนลงจนลงก็ไม่ได้หวั่นไหวอะไรคือโรงทานก็ยังรักษาไว้การทำบุญเลี้ยงพระก็ยังทำอยู่เป็นปกติแต่ว่าขอมันก็ต้องลดสัดส่วนลงมาพระพุทธเจ้าจึงรับสั่งปราพรเรื่องนี้ขึ้นแล้วเมื่อท่านยังกราบทูลว่าก็ยังให้อยู่ แต่ว่าประณีดเหมือนเดิมไม่ได้นะเพราะว่าเงินของท่านก็ไม่ค่อยมีโดยเจ้าก็มาดึงเข้าหาประเด็นของวัตถุที่ประณีดว่าใบสําคัญอยู่ที่วัตถุแต่มันอยู่ที่จิตใจหรือถ้าจิตใจประณีดแล้วแม้วัตถุจะประณีดหรือไม่ประณีดก็ชื่อว่าเป็นทานที่ประณีดและจากนั้นก็สรงแสดงถึงลักษณะของทานที่ไม่ประนีดจึงท่านต่างหลายจะเห็นว่าไม่ได้สัมพันธ์กับวัตถุอะไรเลย แต่สัมพันธ์กับการกระทําของคนทานที่ชื่อว่าแม่ประนิจนั้นก็คือให้โดยความไม่เต็มใจให้โดยความไม่เต็มใจให้เจ็ดใครมาบอกดีกาทาบุญอะไรก็ ร, รําคาญปัดความรําคาญไปเสือโครมเอาไปอันนี้เสี่ยงนะฮะถ้าอยาถ้าไม่ให้อย่าให้มันมีคนอยู่คนหนึ่งชื่อนางปัญจะปาปาเนี่ยจะเคยเล่าให้ฟังมาจริง นี่แหละพระ็เจกับพุทธเจ้ามาบินทบาทดินไปสาวฝาตานั้นไงแกเกิดมันใส้เก้มาพระนี่ขอยุ่งอย่างงดินก็ยางขอจับดินก็แทกโครมลงไปในบาทหน้าตาบูดบึ้งได้บุญเยอะเงี้แต่ว่าหน้าตาแกก็บึ้งนะเกิดมาถึงก็บึ้งมาตั้งแต่เกิดคือมันวิการไปหมดห้าแห่งตาก็ไม่ควรอยู่ในที่ตาจะอยู่จมูกก็บี้ยวปากก็บิดหูก็ คือมันเบีงย ง, งันหมดเลย5้าจุดในใบหน้าทั้งหมดเลยคือเหมือนกันหน้าตอนแก่ทามตอนโกโรธนะเกิดมาก็อย่างนั้นแต่ผลจากการถวายดินฉาบฝากุฏิพระปัจเจกัพพุทธเจ้ามีสัมผัสเป็นทิพย์เลยผู้ชายคนไหนถูกแล้วก็หลงหลายเลยกลายเป็นเมียพระเจ้าแผ่นดินสององค์นี่ก็คือก็ต่างต่างกรรมกันนะฮะเกิดหน้าตานั้นก็อีกกรรมหนึ่งไอ้ผลของสัมผัสทิพย์ก็เป็นอีกกรรมหนึ่ง เพราะงั้นในการให้ทานก็ทรงสอนเริ่มว่าให้ด้วยความไม่เต็มใจให้โดยความไม่เคารพคือไม่เคารพในตัวเองในสิ่งที่เราให้และในบุคคลที่รับไม่ได้ให้ด้วยมือตัวเองเรียกคนใช้เอ้ยวันนี้ตื่นตักบาทน้อยตื่นตักตื่นตักบาทหน่อยนะเอากับข้าวในนั่นสั่งให้คนใช้ไม่เคยตักเองเป็นห่วงนอนอยู่ไม่ได้ลกขึ้น แล้วก็ไม่ให้โดยศรัทธาหรือความเชื่อในกฎของกรรมดัานั้นหลายได้โปรดสังเกตนะว่าเบื้องการทาบุญกุศลประเภทบุญกุศลเนี่ยประเภทบุญกุศลทั้งหมดจะต้องอาศัยศรัทธากับความเชื่อในกฎของกรรมการจะทำทานการจะรักษาศีลเป็นต้นจะต้องมีศรัทธาและความเชื่อในกฎของกรรมเป็นพื้นฐาน ถ้าทําไปแกนแกนอย่างนี้ใจมันไม่ประ น, นีจใจไม่ผ่องใจผลมันก็น้อยพผลน้อยนั้นไปสร้างอัธยาศัยไปสร้างอัธยาศัยคือตัวทําดีแต่ก็ทําั้นไม่เต็มใจมันก็สร้างอัธยาศัยตนที่มีของดีแต่ก็ไม่เต็มใจจะใช้มีมีของมีเสื้อผ้าดีๆไม่เต็มไม่เต็มใจจะใช้นะฮะอย่างมีเศรษฐีที่บ้านเอามาคนรวยจังไล แ่แต่งตัวปอนๆข้าไปกินน้ำชาเจ๊ขอสตางก่อด ก, กลัวจะไม่มีสตางจ่ายแกโมโหแกซื้อรามเลยเืองนี้มันมันคือแกเองไม่ยินดีที่จะใช้ไม่ยินดีที่จะใช้กินก็อยู่อย่างนั้นอย่างนั้นแหือของดีๆก็ไม่อยากจะ ก, กินมันกินไม่เข้าเพราะใจมันไม่นมน้อมมาตั้งแต่การทำความดีแต่ว่าตรงนี้แปลกนะฮะก็ยังไม่เคยพบกับเพิ่งเจอ มันมีผลสะท้อนกลับมาว่าลูกหลานบุตรภันยาบริวารชนต่างๆจะไม่อยู่ในอวัตเพราะใครที่มีลูกหลานดื้อพูดจาไ ม, ม่ฟังอะไรอะไรนี่คงนึกว่าทานเราให้มาไม่ดีตะานให้มาไม่ดีก็เกิดลูกหลานมาอย่างนี้เพราะอะไรท่านท่านมองย้อนกลับไปที่เหตุว่าการกระทาความดีเรานั้นเราทําด้วยความไม่ยินดีทําความดีแต่ทําด้วยความไม่ยินดี พอได้ผลของความดีมาเราก็ไม่ยินดีที่จะใช้เราสั่งสอนลูกหลานของเราด้วยเจตนาดีลูกหลานก็ไม่รับมันเป็นเหตุเป็นผลที่เชื่อมโยงมาจากข้างต้นแล้วจากนั้นได้ส่งแสดงถึงการให้ทานตต่อันดับเลยทีนี้ตายอันดับให้ดูตต่อันดับแนวนี้ก็ตต่แปลกกับผิดกับที่ทักกินาวิพังกัสูตรคือทรงตายคนละแนวว่าการให้ทานนั้น ตัวสำคัญนะครคือตัวเราอย่างที่เคยบอกเรื่องของอนุบุพีกถาที่พูดบังกอธนะว่าถ้าสมบูรณ์จริงๆมันก็ต้องมี4อย่างซึ่งเราก็หาได้ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือตัวเราเนี่ยก็มีสองอย่างคือศรัทธาที่เกิดขึ้นต้องการจะให้มีเจตนารักษาได้ไว้ทั้ง3การคือก่อนให้ขณะให้หลังจากให้ไปแล้วและคนที่รับเอ่อปัปจจัยที่ให้ ปัจจัยที่ให้นั้นจะต้องได้มาในทางที่เป็นธรรมคือได้มาโดยธรรมนั้นในส่วนของเราแต่ในส่วนของคนอื่นก็คือเขาเรียกว่าทักขินายบุคคลคือคนที่เหมาะแก่การรับทานมีคุณธรรมความดีพอที่จะนวยผลให้เกิดประโยชน์แก่ทานได้มากแล้วพระภูมิพระภาคก็ทรงสแสดงว่าคือถ้าไม่ได้ไอ้คนประเภทเนี้ประเภททักขินายบุคคลเนี่ยแม้เราจะถวายของที่ประณีดอย่างไรก็ตามผลมันจะน้อย แล้วก็รับสั่งเล่าเรื่องอดีตของพระองค์ในสมัยที่เป็นเวลามาพรามณ์ตามชื่อของพระสูตรนะฮะเวลามาพรามณ์เปิดตามอัตตกถาท่านบอกว่าเวลามาพรามณ์เป็นปุโรหิตเป็นลูกชายของปุโรหิตมีความฉเฉลียวฉลาดมากต่อมาเมื่อศึกษาจบแล้วได้เป็นอาจารย์สั่งสอนลูกศิษย์ที่เป็นกษัตริย์ที่เรียกว่าทั่วชมพูทวีปจนในที่สุดนี่ ท่านก็กลายเป็นอาจารย์ของกษัตริย์ทั้งหมดแล้วกษัตริย์เหล่านั้นก็อยู่ในควบคุมบังคับบัญชาของท่านจนในที่สุดนี้ท่านก็รวบรวมบรรดาบ้านเล็กเมืองน้อยต่างๆเข้ามาเป็นจักรวรรดิเดียวกันขึ้นต่อพระราชาพระองค์เดียวกันด้วยความสามารถของท่านจากจุดนี้เรามองลักษณะทางสังคมคือโครงสร้างทางสังคมยุคอดีตการนานไกลก่อนพระพุทธเจ้ามันมีลักษณะอยู่กันแบบครอบครัวเป็นหมู่หมู่นะฮะ คือบ้านเล็กเมืองน้อยก็ตั้งตัวเป็นเจ้าเมืองกันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยก็เหมือนกับเมืองไทยสมัยก่อนเราจะพบว่าไอ้เมืองบางเมืองมันก็อำเภอเล็กๆอย่างในปัจจุบันนั้นเองซึ่งแนวความคิดเหล่านี้ก็คือแนวหัวเมืองร้อยเอ็ดเรามองคล้ายๆจะหายไปใ น, ในปัจจุบันมาในมาในรูปใหม่ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าก็มังมีคนคิดจะผ่าเมืองไทยออกเป็นซิกซิก อย่างจังหวัดนครในวันก่อนก็จะแยกจังหวัดทุงสงออกไปามาไปก็ถามเป็นไงไม่มีงะไม่มีงานทำหรือไงคิดจะสร้างเมืองกันคลองผาบ้านผาเมืองมาคลองกันเล่นๆเบื่อใพวกตัวเองได้เป็นผู้ว่าได้เป็นรองผู้ว่าได้เป็นประหลัดจังหวัดได้ไม่ได้คิดอะไรกันเพื่อประชาชนอันเนี้ยเพราะงั้นเราจะเห็นว่าในแนวหัวเอ็ดไอร้อนเอ็ดหัวเมืองเนี่ยยังคงมีอยู่ในสังคมแต่มันจะออกมาในรูปของการสร้างหน่วยงานขึ้นมาเพื่อจะได้เป็นผู้อำนวยการคองเป็นอธิบดีย่อยอะไรทอะไรไป นี่คือก็เมืองร้อไอ้สมัยนั้นมันก็ร้อเอดจะออกมาอีกแนวหนึ่งพอดีเวลามาพรามณ์ท่านรวบรวมได้เแล้วกลายขึ้นอยู่ที่จั ก, กรวรร ด, ดิดีกันมีพระราชาพระองค์เดียวก็มีอนุยนต์คือพระราชาเล็กๆอาเจ้าประเทศสลาชแล้วไอ้ลูกศิษย์ลูกหาก็นับถือทานก็รวบรวมของมาให้เยอะเลยท่านก็ให้ทานปรากฏว่าให้ทานคราวนั้นของที่ท่านพร น, นนาไว้ละเอียดนะของดีๆ น, น, นั้นเลยไม่มีทักทิ่ไหบุคคล คือคนที่มีคุณธรรมเหมาะสมแก่การให้ทานเพราะฉะนั้นทานในคราวนั้นจึงได้ผลนิดเดียวเท่านั้นเองตรงเริ่มที่ตรงนี้นะฮะแล้วเสร็จแล้วก็ดึงเข้าหาว่าการให้ทานนั้นจําเป็นจะต้องให้แก่บุคคลผู้มีศีลขึ้นไปแล้วก็เรื่อยเมื่อเราให้แก่บุคคลผู้มีศีลเนี่ยผลทานก็จะสูงขึ้นไปจากนั้นก็ขึ้นไปทิฏฐิสัมปันนาบุคคล คำวทิฏฐิสัมปันนบุคคลนั้นคือบุคคลที่สมบูรณ์ในทิฏฐิความเห็นคนประเภทไหนที่ชื่อว่าสมบูรณ์ในทิฏฐิความเห็นนั้นต้องพระโสดาบันขึ้นไปนะปุตตุชนเราแล้วก็แกว่งไปแกว่งมาสามวันดี4วันค่าอยู่อย่างนี้แหละตั้งหลักไม่ค่อยได้สักชีตึงไปสํานักหนึ่งก็ความคิดออกเป็นอย่างหนึ่งมามาสํานักหนึ่งความคิดออกเป็นอย่างหนึ่งบางทีก็นั่งหลับตาภาวนาอยู่ได้หลายครั้งหลายคราว บางทีไปเจอบอกไม่ต้องภาวานาเสียเวลาทำมาหากินก็เลยเลิกภาวนาหายไปผล่็แขวงไปแขวงมาเงี้ยคือทิฏฐิมันไม่ตั้งคือความคิดความเห็นไม่อยู่กับร่องกัะรอยก็ถือว่าเป็นทิฏฐิมันวิบัติบ้างสมบัติบ้างคือคือมันสมบัติบางทีมันก็วิบัติวิบัติแล้วมันก็สมบัติแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันปั๊บเนี่ยเขาถือว่าเป็นทิฏฐิสัมปันธน บ, บุคคลเป็นคนที่สม บ, บูรณ์โดยทิฏฐิความเห็นจะไม่วิปริต และจะมีความเชื่ออย่างมั่นคงในปรัตตนาใจในแมง้อ่งแงนแรวนแคลนที่เคยพูดวันก่อนนะฮะว่าเชื่อมั่นในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ในไตรสิขามั่นคงไม่หวั่นไหวเขาเรียกว่าเป็นทิฏฐิสัมปันนบุคคลและทีนี้ก็ทร ง, งย่อยขึ้นไปนะฮะโดยกําหนดที่คนซึ่งจะจะรับทานว่าเราให้ทานแก่พระท่านที่เป็นทิฏฐิสัมปันนบุคคลคือพูดง่ายเป็นเป็นพระโสะดาบันดีกว่านะฮะ เข้าใจง่ายว่าให้แก่พระโสดาบันหนึ่งท่านให้แก่ผู้มีศีลร้อยท่านก็สู้ให้แก่พระโสดาบันหนึ่งท่านไม่ได้ไต่ไปอีกชุดหนึ่งให้แก่พระโสดาบันหนึ่งท่านสู้ให้แก่พระอนาคามีเออไม่ใช่ให้แก่พระโสดาบันร้อยท่านสู้พระสกพระสกิตาคามีหนึ่งท่านไม่ได้ให้แก่พระสกิตคามีหนึ่งท่าน รอท่านสู้พระอนาคามีหนึ่งท่านไม่ได้ให้แก่พระอนาคามีร้อยท่านสู้ให้แก่พระอรหันต์หนึ่งท่านไม่ได้ให้แก่พระอรหันตร้อยท่านสู้ให้แก่พระปัจเจ้าพุทธเจ้าหนึ่งท่านไม่ได้ให้แก่พระปัิเจ้าพุทธเจ้าหนึ่งท่านร้อยท่านสู้พระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์ไม่ได้ให้แก่พระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์สู้การซา สูการสร้างวิหารอุทิศแก่สงฆ์ที่มาจากทิศทั้ง4ี่ไม่ได้นี่สแสดงเปิดโอกาสกว้างนะฮะไมนจะชวนสร้างศาลานเนกประสงค์นะประเดี๋ยวจะว่าเกิสร้างศาลานเนกประสงค์อีกคือทรงสแสดงว่าอย่างนั้นจริงๆครับแล้วแล้ ว, แ ล, วและจากในนี้นะฮะก็เราก็ะดึงเข้าหาภาสิทธิที่ทรงสแสดงว่าผู้ให้ข้าวน้ําชื่อวให้กํำลังผู้ห้ยานชื่อวให้ความสุข พให้เสื้อผ้าชื่อว่าให้ผิวพัานให้ประทีปชื่อว่าให้แสงสว่างให้ที่อยู่อาศัยชื่อว่าให้ทุกอย่างแต่ว่าการให้ทั้งหมดนั้นให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงอันนี้ชุดหนึ่งแต่ว่าตอนเดินนี้ไม่ได้เดินมาแนวนั้นทงเดินมาสรุปทานทั้งหมดนี่เรียงลำดับมานะและพระอัตกาถาจารย์ท่านยังอธิบายต่อไปท่านบอกว่าเอา กัญญาณาปุถุชนผู้มีศีลมานั่ง5แถวละร้อยนะห้แถวพระรโสดาบันแถวละร้อยก็ห้แถวพระสกิรคามาพระสกิรคามีแถวละร้อยหแถวพระนาคามีสองแถวพระปฏเจพระปฏเจกพระอรหันสองแถวพระนาคามีสองแถวครึ่งพระอรหันสองแถวพระปฏเจกับพุทธเจ้าหนึ่งแถวเรามาถวายนี่ฮะสู้ถวายพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวไม่ได้ ถวายทานนะพูดเฉพาะคนผู้รับทานแล้วก็บรรดานั่นแหละมันก็สู้สร้างวิหารอุชิ ส, สงท์ที่มาจากจัตุรชิตไม่ได้อย่าลืมนะฮะตรงนี้คือสังฆทานแล้วเป็นเสนาสนะถามมันก็มีอยู่สองเงื่อนไขบรรดาทานทั้งหมดที่เราให้ทานเนี่ยป้าทิปุกลิกฐานต้องพูดเป็นบาีหน่อยนะป้าติปุกลิกทานคือเจาะจงสมมติว่าโยมจะนิมนต์พระถวายทาน มีมนสมเด็จวัดบวรสมเด็จวัดส้มเกลี้ยงสมเด็จวนโนนหนึง่งใบตั้ง20่องค์หนึ่งเนี่ยไม่เป็นสังฆทานทั้งทั้งที่ตั้ง20เพราะอะไรเพราะเราเจาะจมหมดทุกองเลยเรานับไปทีละองค์แต่ถ้าสังฆทานสมมติเราจะถวายสังฆทานบอกว่านีมนพระสงฆ์จากวัดบวรรับสังฆทานกี่องค์บอกพัตตุเทท่านจะส่งใครพระเล็กเน้นน้อยไปเราถวายด้วยจิตใจอย่างที่ว่ามาแล้วนะฮะ คือเต็มใจให้ให้ด้วยความเคารพให้ด้วยมือตนเองให้ด้วยความศรัทธาเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมมันเป็นสังฆทานในรูปพัตถุแต่นี้มันเกิดมีเสนาสนะส า, านซ้อนขึ้นมาสองฐานเพราะฉะนั้นผลจึงมากกว่าการถวายทานแก่ที่เรียงมาอย่างที่ว่ามาแล้วแก่พระพุทธเจ้าต่อไปก็ต่ขค้นไปอีกละขึ้นจิตใจแล้วทีนี้อันนั้นวัตถุนะฮะเราจะเห็นว่าชั้นก็ทานอมาม่น ฉันทานไปมันก็ขึ้นมาแค่ เ, เสนาสนะฐานพอถึงฉันจิตใจก็ทรงสแสดงว่าการสร้างวิหารอุทิศสงที่มาจากจารุรชิตนั้นก็สู้การถึงพระไตรลรณาคมไม่ได้ญาติโยมทั้งหลายก็อาจจะนึกว่าเราก็พุทธังสนานังกระฉามิมานานแล้วมันก็น่าจะได้บุญเยะนะฮะปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนั้นปัญหาอยู่ที่ว่าถึงจริงหรือเปล่า เพราะการถึงนั้นถึงด้วยกายนั้นก็ง่ายหน่อยนะฮะเพราะเข้าไปในโบสถ์ก็ถึงแล้วถึงด้วยวาจาพุทธังสนางกัามิก็ถึงแล้วแต่ว่าถึงด้วยใจถึงด้วยใจคำว่าถึงให้ลองสังเกตว่าถึงคำว่ากัามิ์น่ะแปลว่าไปกับแปลว่าถึงนะฮะไปสู่พระพุทธเจ้าจนถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าโดยแท้จริงคืออะไรคือนามธรรมได้แก่อะไรได้แก่พระคุณสามะก คือปัญญาบริสุทธิ์กรุณาการถึงพระพุทธเจ้าที่จริงเขาเรียกว่าที่พึ่งกาจัดภัยนะฮะเมื่อก่อนเราแปลจริงๆเราแปลว่าที่พึ่งกาจัดภัยสารณะนะแปลว่าที่พึ่งกาจัดภัยเพราะคำคำว่าสารณะนั้นแปลว่าเป็นเครื่องขจัดภัยการถึงพระพุทธเจ้าจึงต้องถึงในลักษณะขจัดภัยได้ขจัดภัยจากอะไรขจัดภัยจากความขาว จากความคุณมัวของใจจากความริษยาอาฆาตการเบียดเบียนเพราะฉะนั้นการถึงที่แท้จริงจึงต้องถึงที่พระคุณเป็นการถึงด้วยใจถึงที่พระคุณที่ใช้ปัญญาเราจะให้เต็มตามพระคุณของพุทธเจ้าไม่ได้หรอกแต่ว่าต้องใช้ปัญญาในการดำรงชีวิตต้องมีจิตใจที่บริสุทธิ์พอสมควรแล้วต้องมีความกรุณาคือไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นคือถึงพระพุทธเจ้าจริง อย่างนี้ไม่ต้องว่าพุธทธังสสดงกระฉามิก็ได้นะฮะถึงแล้วแต่ถ้าว่าพุธทธังสสดงกระฉามิก็เท่านั้นนะฮะว่าเสร็จก็จบเป็นลมเป็นแรงไปมันก็ไม่ถึงคืออย่าลืมมาจงรับรองผลแต่เราต้องสร้างเหตุตามที่ต า, ทตามที่ท่านแสดงเอาไว้ไม่ใช่ว่าพอพุธทธังสสดงกระฉามิละเองไม่เห็นได้บุญเท่าไหร่คือต้องดูที่ตัวเหตุว่าเราถึงจริงหรือเปล่าถึงนั่นหมายความว่า เราพูดว่าถึงห้องประชุมนะลองนึกภาพดูว่าถึงห้องประชุมตรงไหนที่ท่านพูดว่าถึงห้องประชุมคือตอนที่ท่านเปิดประตูเข้ามานะฮะท่านเปิดประตูเข้ามาแล้วอยู่เป็นส่วนหนึ่งของห้องประชุมแลเราเรียกว่าถึงห้องประชุมถึงบ้านก็คือข้าอยู่เป็นส่วนหนึ่งของบ้านไม่จ mm. ะนนอยู่ที่ถนนนะอยู่ที่ถนนยังไม่ถึงบ้านต้องเข้าอยู่ในบ้านจะ ก, ก่อนจะเรียกว่าถึงบ้านหรือถึงอะไรก็ตามแหละเราต้องเข้าไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งของสถานที่นั้นเราเรียกว่าถึงการถึงรัตนาตรัยก็เหมือนกัน คือจะต้องถึงด้วยใจเรานี้อาการกายวาจาใจสัมผัสคุณของพระรัตนตรัยได้จิตใจมีปัญญามีความบริสุทธิ์มีความกรุณาแล้วก็ในด้านธรรมะก็คืออะไรคือขัดเราคือขัดเราคือแยกตนออกไปจากความชั่วคือมีความสงบด้วยอาศัยการปฏิบัติอะไรสุปฏิปันโนนั่นแหละสุปฏิปันโนที่สดสวดกันอะข้อแต่นั้นเอง สีข้อสุปฏิปโนภกโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติดีคือปฏิบัติอย่างไรท่านบอกว่าปฏิบัติดีนั่นปฏิบัติชอบต้องแก้ขวางยากเลยปฏิบัติชอบคือชอบอย่างไรชอบด้วยธรรมชอบด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่จะตามที่เราชอบนะคือชอบด้วยเหตุด้วยผลชอบด้วยธรรม พิสูจน์กันยังไงพิสูจน์ที่ผลทึ่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติคือเกื้อกูลตนเองและอำนวยความสะขให้แก่ตนเองและบุคคลอิ่ดปฏิบัติไม่ถอยกลับปฏิบัติไม่ถอยกลับคือปฏิบัติยังไงสมมติว่าเราตายอันดับมาได้ถึงรักษาศีลห้าแล้วเนี่ยวันนี้คืนดีศีลข้อเดียวจะรักษาไม่ได้นี่ถอยหลังไปแยะเยนี่ถอยกลับเพราะถอยกลับมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาแล้วต้องปฏิบัติที่เป็นไม่ไม่เป็นข้าศึก คือไม่ทําอันตรายตนเองแล้วไม่ทําอันตรายผู้คนดีนปฏิบัติตรงตรงต่อพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตามฐานะนะฮะตามฐานะของเราคือฐานะเราว่ายังไงอย่างชาวบ้านเนี่ยไม่ได้ว่าไว้มากมายอะไรก็ตรงตามที่ทรงแสดงอาไว้แล้วต้องมีลักษณะมุ่งความสงบยายะปฏิปโนที่เราเรียกว่าปฏิบัติเป็นธรรมนั้นหรือปฏิบัติชอบยิ่งคือหมายความว่าปฏิบัติขัดเกลายายะนั้นมุ่งเอาความสงบ ที่ที่ที่เรามักได้ยินเสมอเวลาพระสวดเวลาพระพระสวดนั้นก็จะที่อะไรยังธรรมจักอะพระธรรมเทศนาการแรกนะทำดวงตาทำยานเครื่องรู้ให้บางเกิดขึ้นเป็นไปเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับนยสูตรก็อยู่ตุงนั้นเพระาะฉนั้นคำว่ายายะนั้นก็คือเพื่อความรู้อันยิ่งหมายความว่าจะต้องขัดเกลากิเลสได้แล้วก็เป็นนายเหนือกิเลส นายเหนืออารมณ์ไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์นี้ก็คือชื่อว่าสัมผัสคุณจริงๆแต่ว่าการถึงพระระัตนาใจใน ล, ลักษณะนี้ก็ลึกซึ้งไปหน่อยนะฮะลึกซึ้งไปหน่อยเอแต่เพียงว่าเราให้สัมผัสจริงๆระดับใดระดับหนะึ่งแต่ให้ต้องมีปัญญามีความบริสุทธิ์มีความกรุณาเป็นฐานเลยก็ได้กันแล้วส่งแสดงว่าการปฏิบัติเนี่ยการถึงพระรัตนาัยของบุคคลเนี่ย ยังมีผลน้อยกว่าการอะไการรักษาศีล น, นาสู่ภาคปฏิบัติการรักษาศีลรักษาศีลจนจะเป็นผลที่ดีกว่าการถึงบรรณาธิการนั้นจะต้องเป็นศีลอะไรสมมติว่าท่านรักษาศีลหาก็ต้องเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ด่างไม่ทะลุไม่พลอยอันนี้เป็นปัญหาหน่อยคือคาคล้ายๆมันไขกัน แต่แท้จริงไม่ไขาดนะครคุละอาการกันสินขาดก็คือขาดปึงเลยไม่ต้องพูดรับศินข้อปานาไปแล้วฆ่าสัตว์เรียบร้อยสินขาดแต่ว่าศินทะลุนั้นไม่ถึงกับขาดยกตัวอย่างว่าท่านรักษาศินไปแล้วแล้วก็เงื้อมือจะตบยุงตบจริงนะฮะไม่ยุงไม่ตายขาขาดไปอันนี้ศินไม่ขาดอะเตทะลุเลยทะลุแต่ศินด่างศินด่างนั้นเช่นอะไร เช่นว่าเราจะตบยุงอีกเลยนะฮะ เ, เราตบแต่ไม่ถูกแต่วัฏกาเจตนาคือเจตนาในการฆ่านะมันเกิดศีลมันไม่ถึงเกิดทะลุแต่มันดงัดงๆไปอีกอย่างหนึ่งยกตัวอย่างตบยุงอีกแต่มันพลอยนะฮะพลอยก็คือว่าอะไรคือเราประยุงตบไม่ไม่ไม่จะประยุงตบเราจะตบมนะันอ่ะคือปรยุงกัดเราเงื้อมือจะตบแต่ก็นึกได้แล้วก็ไม่ตบแต่อย่าลืมนะฮะจิตท่ามองแล้วตอนนั้นนะ เกิดโกรธแล้วอยากจะตกแล้วท่านก็ถือว่าศีลมันพลอยไปพลอยไปก็ดีกว่าด่างหน่อยนะฮะดีกว่าด่างก็ด่างก็ดีกว่าตะลุตะลุ ก, ก็ดีกว่าขาดนะะมันมันมันยังไงมันก็มีดีอยู่เมื่อวานนี่ไปพูดที่นราธิวาสมีครูเขาถามบอกว่าทำยังไงเวลาแห่ผ้าเนี่ยมันมีคนเมาเหล้าทํำยังไงจึงจะแก้ได้อามาก็บอกประนีประนอมกันหน่อยนะเขาเมาเหล้าก็ดีดีกว่าเขาไม่มานะฮะ คนที่ไม่มาช่วยแห่เทียนก็เยอะแล้วขา ม, มาช่วยแห่เทียนมอนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเรกสร้างความเป็นวิตรกันก่อนอย่ามันเกิดการแตกแยกมากคือยังมีอะไรเลวกว่าแล้วก็ทําได้ดีกว่าก็ต้องยอมรับเขาก่อนน่ะคือไม่ใช่ว่าตัดจากสามโนประชากรไปหมดปรเดี๋ยวก็ไม่เหลือชาวพุทธหรอกเออนี่ก็คือคือเราเราจะเห็นว่าในการปฏิบัติมันก็ขดกาดเก่าอย่างเงี้ยยังไงก็อย่าถึงกับขาดนะถ้าขาดถ้ามันขาดก็อย่าถึงกับ ด, ด่าง คือคือเอาให้มันให้ให้มันทําได้โดยลําดับไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยแก่ตัวคือรักษาด้วยความสมัครใจเห็นว่ารักษาศีลน่าก็ดีก็รักษาและแต่เพราะอย่างยิ่งก็คือไม่รักษาเพื่อต้องการสวรรค์วิมานนะฮะอะไรทํานองนั้นคือรักษาคือสวรรค์วิมานได้บังเกิดของนเองแะแต่ถ้าเรารักษาด้วยความอยากเนี่ยให้ลองสังเกตฮะรักษาด้วยความอยากกับรักษาด้วยความไม่อยากความผิดกันเช่นสมมติเราให้ทาน นะคิดว่าบริจาคเท่าไหร่นะจะได้เหรียญเหรียญ น, นึงอนะแล้วเราบริจาคไปแล้วไม่ได้เหรียญในใจมันร้อนอะใจมันร้อนเลยกิเลสมันท่วมใจอีกมันมันสละโลภ ะ, ะในเงินนะแต่เกิดโลภะในเหรียญพอไม่ได้เหรียญตามที่นันมาเกิดโทส ะ, เ, ะเลยเพิ่มกิเลสไปใหญ่เลยสละกิเลสได้กองเดียวเพิ่มกิเลสสองกองสละนั้นเป็นการสลละโลภะนะฮะ เป็นโลภะเอเป็ น, เ ป, นเป็นการสละวัตถุมันก็มาจากกิเลสสายโลภะแต่ในขณะเดียวกันเราก็โลโภะในเหรียญซึ่งก็เป็นโลภะเหมือนกันพอไม่ได้ตามที่เราต้องการเราเกิดโทสะใจมันไม่สงบเท่าที่ควรทีนี้ในจนถึงกับอะไรไม่ถูกตันหาชิตจินะไม่รักษาศีลด้วยมานะชิตจิตพอรักษาศีลแล้วก็ไปดูถูกดูหมิ่นคนอื่นนะฮะ อย่างอะไรนะฮะอย่างคนบางคนไม่มีอะไรปลิกบุรีได้แล้วแม้ดูบินก็ดีแล้วก็ทําความดีได้นิดหน่อยแต่นั้นเองไอมาเคยสังเกตมาเยอะไอคนประเภทโอดหมากอดบุหรีได้ในหมาคล้ายๆคนกินหมากสูบบุรีนิดเลวเหลือเกินนะมันมันเป็นเรื่องน่าอนาถมากนะฮะเราจะเห็นว่าบุรีหมากนี่มันใช้อัญฉกรรมเราครับแต่ว่าด่าคนอื่นเป็นวิจีทุจริตตกนรกได้เราไม่รู้อะไรคือคือความหนักความเบานะฮะ คือความหนักความเบาของสิ่งที่กระทําคนที่สูบบุหรี่คนที่กินมากเขาไม่ตกนรกเราแต่ว่าดาคนอื่นนะ่ตนตกนรกพระพุทธเจ้ายื น, น ย, ยันจืนยันเลยแล้วเป็นอกุศลตรงๆนะฮะเป็นอกุศลตรงในในวจีทุจริตะวจีทุจริตนี่ตรงเลยเป็นคําหยาบพระรูสวัจาเป็นคําหยาบเป็นคำด่าเขาเราเราเราไม่รู้ว่าที่จริงหมากบุหรีไม่ใช่อาจฉรยะกรรมแล้วไม่ใช่อกุศลทุจริต แต่เราก็เลิกไอหมากบรีได้แล้วก็เสร็จแล้วก็มาใช้อากุศลทุจริตแทนนึกว่าเราเก่งแล้วเพราะเราไม่เข้าใจว่าอะไรคือธรรมะไม่ใช่ธรรมะสิ่งนี้ถ้าเลิกได้ก็ดีถ้าเลิกไม่ได้ก็ไม่ถึงกับเป็นอาชญากรรมอะไรหรอกมันมันก็เป็นการไม่ประหยัดออกจะฟุ่มเฟือยมากไปหน่อยเท่นั้นเองแล้วถ้าถ้าเลิกได้มันก็เป็นการประหยัดเท่านั้นนี่ก็คือเราต้องแยกให้ออกว่าอะไรเป็นไรพอมาถึงศีล น, นะศีลเอาสมมุติว่ารักษาศีลดีแล้ว เราพุทธเจ้าก็ทรงแสดงบันไดต่อไปอีกว่าศีลที่บุคคลรักษาดีแล้วเนี่ยก็สู้อะไรเมตตาที่เกิดขึ้นชั่วอะไรนะทรงใช้นิดเดียวเลยชั่วขณะดื่มน้ำอึกหนึ่งเมตตาจิตที่เกิดขึ้นชั่วขณะดื่มน้ำอึกหนึ่งนิดเดียวนะแต่อย่าคิดว่าง่ายนะครับ อย่าคิดว่าง่ายเพราะอะไรเพราะถ้าเมตตาจิตมันเกิดขึ้นได้อย่างนั้นจริงเนี่ยมันสลายพยาบาทมันเข้าเป็นสมาธิเข้าเป็นฌานได้เลยดูคล้ายๆน้อยนะคล้ายๆว่าช่วงมันน้อยเล็กันว่าเมตตาเนี่ยไม่เป็นตัวขจัดพยาบาทขาจัดกิเลสสายโทสะต้องแสดงไว้ในเอากานิบาตแนวเดียวกันได้ว่าเมตตาเจโตวิมุตต์คือจิตที่หลุดพ้นด้วย ไอ้จากพยาบาทเป็นต้นด้วยอํานาจของเมตตาที่บุคคลให้เกิดขึ้นแม้ชั่วลัดนิ้วมือเดียวกับดื่มน้ําอึกเดียวนี่พอๆกันน่ยนะดื่มน้ําอึกเดียวก็ชั่วลัดนิ้วมือเดียวหรือชั่วช้างปรบหูมาขึ้นอยู่กับอะไรวางอยู่ในที่นั้นอ่ะจะเป็นตัวอย่างใกล้ๆเคยเกิดขึ้นในขณะเดียวอย่าลืมว่าเมตตานั้นเป็นกรรมฐานนะเป็นกรรมฐานอยู่ในพวกพรหมวิหารสี่ ซึ่งบุคคลที่เจริญเมตตาให้เกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งจริงๆเมตตาที่เกิดขึ้นจริงๆนะไม่ใช่ว่าเมตตาสเปสตาอเวราอพยาปชาอานคาสุขีอตานังปริหะรันตุออกออกไปก็ตบยุงต่ อ, อก็ไม่ใช่เมตตาแล้วมันสวดเมตตานะคับไม่ใช่เจริญเมตตาเมตตาจริงๆจะต้องเป็นการเกิดเกิดขึ้นที่ใจนะเกิดขึ้นที่ใจจริงๆแล้วก็ยอมรับสถานะของบุคคลอื่น ท่านทั้งหลายได้โปรดสังเกตว่าที่เจริญเมตตานั่นคือเจริญตามแนวที่สวดตะกี้นีน่นะที่สวดในอะไรปุญญสีดาที่สวดในพรหมิหาราภรณาเราไม่ได้สวดนะเรารู้สึกจะสวดตอนเช้าอะไรกันนะการแผ่เมตตาเราสร้างความรู้สึกสเพสตาอเวราอปยาปชาอินิคาสกีอตาหนังบริหารันตุนะแปลว่าขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่มีภยัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกาันให้มีความสุขบริหารตนเถิดที่จะสวดๆกันนั่นคือการสร้างความรู้สึกเมตตาปรารถนาที่จะเห็นคนและสัตว์ทั้งหลายคือการสร้างเมตตาปรารถนาที่จะเห็นคนและสัตว์ทั้งหลายอยู่ร่วมกันอย่างไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันแต่จะต้องเกิดขึ้นถึงใจจริงๆเอย่าเลอะเมื่อถึงใจได้ขณนะต่อไปมันเป็นความสงบแล้ว ก็คล้ายๆกับสมาธินะสมาธิพอแกเกิดขึ้นไปเป็นอุปชาระคือสงบสักขดะจิตเราจะเกิดความยินดีในความสงบมันก็ชันทะอุตสหะก็จะนำตัวเองเข้าสัมผัส ผ, สผลเบื้องสูงขึ้นไปเมตตาที่เข้าถึงใจจริงๆก็เป็นเจโตเมตตาเจโตวิมุดนะฮะท่านชากลว่าเจโตนั้นก็คือใจที่มันหลุดพ้นจากกิเลส ด, ด้วยเมตตามันสลายพยาบาท แต่ให้โปรดสังเกตว่าพอสลายแล้วไม่ใช่สลายเฉพาะพยาบาทถ้าลองดูในชีวิตประจําวันสมมุติว่าเราเมตตาใครนะฮเมตตาใครนั้นแน่นอนเราไม่ไ ม, ไม่ไม่โกรธไม่อาฆาตพยาบาทแต่มันไปสร้างสรรค์อย่างอื่นเป็นความเสียสละสงเคราะห์อนุเคราะห์ทานการให้นะสมมติว่าเราเมตตานายกเราก็ให้ของนายกเด็กกเราก็ให้ของนายกรได้มันไ ป, ไ ป, ไ, ป, ไ, ปไปแก้ที่โลภะได้ด้วยแล้วไอตัวโมหะเองก็จางลงไป คือกิเลสเนี่ยก็พูดไปอย่างนั้นเองอะที่จริงมันกลุ่มเดียวกันเพราะเราไปสลายตรงหนึ่งได้มันก็ตรงอื่นก็ชื่อว่าสลายแต่ถ้าเราเพิ่มในจุดหนึ่งมันก็เพิ่มในจุดนี้งยกตัวอย่างยกตัวอย่างง่ายๆว่าสมมติว่าท่านไปที่ไหนดีละ่ะเอาไปสนามมวยก็ได้ไปสนามมวยเนี่ยสมมติไม่ใช่เป็นนักเลงมวยเราก็ไปด้วยโมหะคือความหลงไปด้วยความหลงไปถึงก็อยู่ตรงกลางก่อนโมหะอยู่ ง, งั้นะยังไม่รู้เขาจะต่อยยังไงเลยทําไปนั่งที่ พอเสร็จแล้วพอมีการพูดการอะไรมันก็เกิดโลภะขึ้นมาคือต้องการเกิดชอบมวยค่ายนั้นค่ายนี้ไอ้ฝ่ายนั้นฝ่ายนี้นขึนนข<อ>น้นมาก็เกิดโลภะก็อยากให้มวยนั้นชนะพอเสร็จแล้วพอต่อยกันไปต่อยกันมาไอ้มวยที่เราอยากให้ชนะมันต่อยไม่ดีเราเกิดโทสะเกิดโทสะพะไอไอ้มวยที่ฝ่ายที่เราต้องการมันแพ้มันเกิดต่อยดีเราเกิดโทสะต่อยมวย น, นี้เลยก็วิ่งไปโลภะโทสะโมหะเลยหมุนกันอยู่งนั้น เหมือนกับเข้าไปในเวลาแสดงละครของไทยอะไรต่ออะไรเราจะเห็นว่าโลผ้าโทสะในหมุนไปตามบทบาทของละครในแสดงมันเป็นการเพิ่มขึ้นภายในใจอาจจะเริ่มโดยตรงในตรงหนึ่งสมมติว่าชอบนางเอกชอบนางเอกพอตัวอิจฉาไปเล่นงานนางเอกเราโกรธตัวอิจฉาเกิดโทสะในตัวอิจฉาเกิดโทสะในตัวอิจฉาพอพอนางเอกร้องหฮมร้องไห้เราก็เกิดโศกะ คือโศกตามนางเอกตามไปใช่มันก็วิ่งวนอยู่ในกองกิเลสอยงนี้มามุนหมุนก็เพิ่มปริมาณขึ้นมาเรื่อยๆเพราะงั้นเราจะพบว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยก็ได้เหยื่อเพิ่มกิเลสกันแยะ่นะฮะแต่ทําให้ใจสงบได้ยากแต่ถ้าเมตตาเจตุมันคือจิตมันเกิดหลุดพ้นด้วยอํานาจเมตตาภาวนาแต่ แ, ลแผลไปในสัตว์ทั้งหลายแล้วเกิดขึ้นเข้าถึงใจจริงๆจะมีผลมีอานิสงส์มากและถ้าเรามองในเรื่องกฎของกรรมที่เคยพูดมาแล้วว่า ก่อนที่จะดับจิตที่เขาเรียกว่าอาสันตกรรมนะฮะการเมื่อจวนจะดับจิตพอเกิดขึ้นวูบหนึ่งแล้วเราดับด้วยจิตนั้นนะเราดับด้วยจิตนั้นเราก็มีสุขจิตเป็นที่ไปมันวูบเดียวแต่นั้นเองบรรุมผลก็วูบเดียวขณะเดียวนะขณะนิดเดียวแต่นั้นเองเรียกว่าไม่นับเป็นนาทีเลยทั้งไปนะดังนั้นจึงมีผลมีอานิสงฆ์มากกว่าการรักษาศีลไต่อันดับขึ้นไปนะทีนี้เอาอีกเลยฮนะ เมตตาที่บุคคลทําได้อย่างนั้นมันก็สู้สู้อะไรสู้อนิจจสัญญาอนิจจสัญญาคือความกําหนดหมายเห็นสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงไม่ได้ฮะให้เราสังเกตว่าเดินมาอย่างไรฮะเดินมาที่ฐานเดินมาที่ฐานแล้วก็ถึงแต่สนะคมใจสนะ ค, คมแล้วเป็นอะไรเป็นศีล ศีลเป็นอะไรเป็นสัมมาทัตสมมาทเป็นอะไรเป็นวิปัสสนาธมะเดินมาจากวัตถุนะฮะเดินมาจากวัตถุแล้วขึ้นถึงก็ไปนิริปนิปนิปนิปนิเสร็จแล้วจะทิ้งวัตถุเลยจะเข้าถึงใจงทันทีแต่ว่าการไต่อันดับต้องไต่มาจากวัตถุเพราะเรื่องวัตถุนี่ง่ายมากทําง่ายมีก็ให้ได้นะฮะแต่ว่าเรื่องของการรักษาศีลที่ทําจิตใจให้ประณีตขึ้นไปนั้นเป็นเรื่องที่ทําได้ยาก ก็ทรงมาสอนที่อนิจจสัญญาแต่อย่าลืมวันนี้ที่จริงนั้นคือวิปัสสนาะชั้นที่2ก็คือเรื่องของสามถะอย่างที่เรากำลังศึกษาปฏิบัติกันอยนู่เนี่ยวิปัสสนาคืออนิจจสัญญาที่เกิดพิจารณาเห็นสังขารทางหลายว่าเป็นของไม่เที่ยงก็เป็นของไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นเลยเห็นจริงนะพูดเห็นจริงไม่ใช่รูปังอนิจจังรูปเป็นของไม่เที่ยงเราส่ ว, สวกันตั้งรอ้อตั้งร้อปีแนละ้วไมเห็นในเรื่องอะไร เนี่ยคือเรื่องสวดก็คือสวดสวดมันไม่ได้เกี่ยวกับเห็นนะฮะสวดนั้นสวดก็เรียกสาทยายคล่องปากเท่านั้นเองแต่ต้องเห็นจริงเห็นอนิจจังเห็นเป็นความไม่เที่ยงจริงๆแล้วพอประสบกับอารมณ์ความวิปริตต่างๆเราเห็นทันทีเลยของไม่เที่ยงเป็นธรรมดาก็แสดงความไม่เที่ยงมันไปแล้ววันก่อนนี่พบกับท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะฮะใดจะไปเอ่ยชื่อท่านก็ไปพบกันแล้วก็คุยกัน ท่านก็เศร้าโศกโด้วยปิยยะวิปโยคมากพัญญาท่านตายไปก็คุยกันนะพอพูดกันหน่อยท่านจะร้องไห้ครับบอกว่าอาจารย์จะต้องมองอย่างนี้ว่าอย่าตั้งปัญหาว่าทําไมจึงต้องเป็นเราเรื่องมันต้องเป็นอย่างนี้มันไม่พ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้เราเอวังภาวีเอวังกนาติโตเรื่องมันจะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ร่วมพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ในขณะที่เรามีความรู้สึกว่าทําไมจึงต้องเป็นเรานั้น ที่จริงในขณะนาทีนั้นและทุกส่วนของโลกนี้มีคนเป็นนั้นมากที่เมียตายผัวตายลูกตายทรัพย์สมบัติหายไปไฟไหม้บ้านมันไม่ใช่คําถามมาทำไมจึงต้องเป็นเราแต่แท้จริงแล้วมันเรื่องมันต้องเป็นอย่างนี้มันไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้หละทุกชีวิตมันเป็นอย่างนี้แม้เราเองก็จะเป็นอย่างนี้ทําไมจึงต้องคิดว่าทําไมต้องเป็นเราเขาก็เป็นอย่างนั้นเราก็เป็นอย่างนั้นทุกชีวิตมันเป็นอย่างนี้นะ และไอาการที่ความโศกมันเกิดเพราะเราคิดว่าทําไมจึงต้องเป็นเราที่จริงไม่ใช่เรื่องมาเป็นอย่างนั้นเรื่องมาเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ทุกชีวิตมันเป็นอย่างนี้แต่เราก็ไปแบกโลกทั้งโลกมาไว้ที่เราคนเดียวว่าเราโศกคนเดียวเราพลาดพลากจากปริยชนคนเดียวนี่คือความหลงทางทําไมจึงหลงทางเพราะบ้าไปมองในมุมเดียวแล้วไม่ยอมมองในจุดอ่น ไอความพลาดๆต่างๆเนี่ยเราก็มองเห็นอยู่ในทุกคนทุกอย่างนั่นคือความไม่เที่ยงการเห็นใจรักต้องเห็นอย่างนั้นแล้วต้องเห็นถึงใจนะต้องเห็นถึงใจไม่ใช่ว่ารูปปางนิจังเวลนานิจจาสัญญานิจจาสวดกันสบายๆนะฮะธรรมวัชชาแต่วัชชาในท่านทั้งหลายจะเห็นว่าธรรมวัชชานั้นก็คือตรงนี้แหละธรรมวัชชานั้นไพเราะมากนะไปอ่านคําแปลกันมากหรือเปล่าไหมทราบครับธรรมวัชชาเนี่เป็นกรรมฐานชั้นดีทีเดียวเลยเอาธรรมวัชชาให้ได้แล้วก็พอแล้วนะฮะจากนั้นนะฮะ อิท่าตาถากะโตโลเกอุปนธ์ตรงนั้นเนี่ยขึ้นตรงนี้แล้วแล้วถ้าไม่ดูจะสวดโอ้ยพระบาทสมเด็จพระจอมท่านนำมาจากคำภีหลายเล่มต่อกันเป็นแถวสวยมากเลยหลับตาสวดนะแล้วแปลออกนิดนิดหน่อยหน่อยนะหรือว่าอ่านคำแปลไทยไวชก่อนให้ดีแล้วเวลาสวดแล้วหลับตาสวดแล้วก็พิจารณาตามไปตามไปได้จะเข้าถึงใจมากกว่าสวดคล่องปาก ให้หลับตาสวดแล้พิจารณาตามไปทุกข้อรู ป, ปังอ น, นิจจังก็พิจารณาตามรูปไม่เที่ยงเวทนานิจจาวิทนาไม่เที่ยงตามไปเรื่อยๆทุกข้อโดยสวดให้เห็นจริงมีผลมีอานิสงฆ์มากกว่าการเจริญเมตตาแต่อย่าลืมนะว่าเห็นมิปัจ น, นานะมันถอนกิเลสได้ตอนกิเลสได้เป็นการชำระกิเลสถอนความยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราได้ นี่คือบันไดธรรมะที่ทรงแสดงมาเป็นชุดๆแล้วเราจะจะเห็นว่าเราเข้าขึ้นไปได้ทุกลําดับเลยคือไม่ได้ทุกลําดับอย่างในกรณีนี้ว่าท่านอาจจะมาติดที่ตรงไหนมาติดที่ตรงว่าพระพุทธเจ้าไม่มีพระประเจกัพุทธเจ้าไม่มีแต่ยังมีทานที่เหนือกว่าการให้แก่พระพุทธเจ้าและพระปเจกัพุทธเจ้าทีนี้ต้องต้องพูดอย่างนี้นะว่าต้องใจนั้นอุทิสง์ที่มาจากจาตุรชิตจริงๆ จริงๆเลยไม่ใช่ไปสร้างกุฏิถวายอาจารย์กรรมฐานองค์นี้องค์หนึ่งหลังเบิ้ลเริ่มเอบุญไม่มากเอันนั้นมันเป็นปาฏิบุตรกลิกทานนะฮะอันนี้ข้อแม้ว่าต้องไม่เจาะจงเลยสร้างอุทิศ ส, สงฆ์ที่มาจากจาตุรชิตจริงๆเลยพระไหนก็ได้มาให้มาอยู่นี่ก็ได้ใจตรงนี้ที่ทำยากที่มันมีปัญหาเราจะพบว่าเวลาเรานิมนต์พระไปทบุญเนี่ยทรงรถไปเทล่าพระกันทั้งสี่หคันเลย วัดนนองค์วัดนั้นสององอะไรๆกระจายไปหมดเลยนิมนต์วัดไหนก็นิมนต์ไปทาใจสงบให้เป็นทานเป็นสังฆทานไปไม่ต้องยุ่งยากลําบากไม่มีกิจมากไม่มีธุระมากไม่เปลืองน้ํามันมากเ ป, เป็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจไปด้วยในตัวแต่ว่าเราทําใจไม่ได้แต่ละขั้นตอนที่ส่งแสดงนั้นจะพบว่าปัจจัยสําคัญในการทําบุญทางพระพุทธศาสนามันอยู่ตรงไหนดูตรง กิเลสที่เราขาจัดได้มากหรือน้อยนั่ น, น, น, น, น, น, นองค์ประกอบภายในนะฮะแต่ว่าชั้นทานเราจะพบว่ามีองค์ประกอบอยู่สองฝ่ายคือภายในกับฝ่ายนอกเพราะการทําทานนั้นเป็นการทําต่อบุคคลอื่นต่อวัตถุอื่นแต่พอถึงพระัตนาใจแล้วมีองค์ประกอบอย่างเดียวคือใจตัวเดียวใจเราอย่างเดียวฮะเป็นการพัฒนาคุณภาพของใจขึ้นไปพะการถึงพระใจสุรณคมที่เราประกาศถึงกันเนี่ย คือมันแก้ปัญหาที่ใจมันถึงขนาดไหนนะแต่ถึงขนาดพุทธทางสนังกระฉามิเฉยเฉยหรือเป็นชาวพุทธโดยสามโนประชากรแล้วก็ว่างๆมาตัดเสียงพระพุทธไปขายนี้มันก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกช่วยอะไรไม่ได้เพราะมันไม่ได้ถึงแม้แต่ด้วยกายเลยถึงเข้ามาแล้วก็ ก, ก็มีเยอะแยะเราเราจะพบว่าคล้ายๆกับมีความขัดแยง้งคล้ายๆกับมีความขัดแย้งในสิ่งที่ส่งแสดงที่จริงไม่มีความขัดแยง้ง แต่เราไม่ได้ประกอบเหตุตามที่ทรงแสดงแต่ในขณะเดียวกันเราก็เรียกร้องผลตามที่ทรงแสดงถึงเมื่อสร้างภารว่าความขัดแย้งขึ้นมาอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นไม่ได้มันเหมือนอะไรนะฮะมันเหมือนกับที่ครูถามเมื่อวานเะนี่ยว่าไงถามคําดีนะฮะแกถามว่าคือหมายความว่าถ้าคนประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามศีลและธรรมแล้วเนี่ย เราจะปราบปรามอัจฉรกรรมกันโดยวิธีอย่างไรธรรมาบอกมันขัดแย้งนะครูนะมันขัดแย้งนะคือถ้าคนมีศีลธรรมดีแล้วอัจฉรกรรมมันไม่มีมันไม่ต้องปราบไม่ต้องปราบแต่เมื่ออัจฉรกรรมมีมันเป็นการยืนยันว่าศีลธรรมยังไม่สมบูรณ์สิ่งสองอย่างนี้มาอยู่รวมกันในในที่เดียวกันไม่ได้เเหมือนความมืดกับสว่างมันอยู่รวมกันไม่ได้เพราะงั้นเมื่อเหตุสมบูรณ์ผลจะต้องสมบูรณ์แต่เหตุบกพร่องผลก็ต้องบกพร่อง การวิเคราะห์ทางศาสนาจึงต้องพูดกันที่เขตและให้ลองสังเกตว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงในข้อที่ทสองทรงแสดงธรรมมีเหตุทรงสแสดงธรรมมีเหตุที่ผู้ฟังอาจลองตามมาเห็นจริงได้เพราะงั้นอะไรก็ตามที่เป็นผลถ้าเราต้องการผลเราก็ต้องการเหตุเพราะผลคืออานิสง์ที่เกิดขึ้นจากการถึงพระเจรณากมจะมากอย่างไรนั้นก็วิเคราะห์ที่ใจกันเลยว่าใจเรานะั้นถึงจริงหรือเปล่า ไม่ใช่พอพุทธังสนังกระฉามิแล้วเสร็จแล้วไปนั่งไหว้เจ้าประหกประล ก, ะลกหรือไหว้พระภูมิอยู่นะสนังกระฉามินีฮะแต่ว่าไหว้พระภูมิแต่ว่าไม่ไหว้ในฐานะสนังกระฉามิเนี่ไม่แปลกอะไรนะฮะเป็นเพื่อนบ้านก็ให้ช่วยเฝ้าออบ้านให้ก็ดีเหมือนกันนะท่านว่างงานนะไม่มีงานอะไรก็ว่างๆฝ า, า, ากบ้านฝากช่องเอาไว้แต่ไม่ใช่เป็นสรณะคืออย่าไปนับถืออยู่ระดับเดียวกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นอาการทางกายแต่ในด้านใจแล้วนะฮะเราต้อง มียึดเหนี่ยวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงๆเลยก็ยึดถือพระคุณดังกล่าวเข้าถึงพระคุณดังกล่าวพอถึงศีลเราจะมันเห็นว่ามันอะไรฮะออพอศีลนี่มันแต่ละข้อมันขัดเกลากิเลสเพิ่มขึ้นปาณาสมมุติว่าหข้อมันขัดขัดเกลากิเลสได้5อย่างซึ่งซึ่ ง, ซ, งซึ่งบัณฑิตเจมส์ก็อยู่ในโลกโกรธหลงนั่นแหละแต่ว่ามันมีความขัดเกลาได้มากขึ้นขัดเกลาได้มากขึ้นแต่จิตใจก็สะอาดมากขึ้นเพราะว่านบุญก็ต้องมากขึ้น บุญก็ต้องมาขึ้นพระคำมาบุญในทางศาสนาไม่ใช่เรื่องลึกซึ้งอะไรว่าเจตนาอันใดก็ตามที่บังเกิดขึ้นแล้วมีลักษณะขัดเกลากิเลสให้เบาบางลงไปแล้วมีผลเป็นความสุขการกระทานั้นเรียกว่าบุญพูดง่ายๆนิดเดียวก็คงจะเหมือนกับอะไรนะที่โบราณท่านว่าทรัพนี้มีไกลใครปัญญาไยหาได้บ่นานทุกแ้นแดนดินมีสิ้นทุกสถานผู้ใดใจใคลานบ่พานพบนาน เหมือนกันนะฮะบุญนี้ไม่ไกลใค ร, ใครปัญญาไวหารได้บ่นานทุกแพนเดนดินมีสิน้นทุกสถานผู้ใดใจค้านก็บอพผ่านพบนาเหมือนกันนะมันทําได้ทุกคนทุกแห่งเลยทําได้ทุกคนทุกแข่งแล้วไม่จําเป็นจะต้องมีเงื่อนไขอะไรมากศีลเราก็พร้อมที่จะตั้งเจตนาสมาทานเอาได้วิรัตเอาได้อยู่ที่บ้านไม่ต้องมาวัดก็ได้มาวัดนั่เป็นการเพิ่มบุญส่วนอื่นขึ้นไปแล้วพอถึงสมาธิก็อีกฮะเมตตาภาวนาที่ทรงสแสดงว่ามีผลสูงมีผลสูงกว่า ก, า, การรักษาศีล ก็เป็นการใไขจัดที่เริ่มจุดจากเมตตาแต่อย่าลืมว่ามันเดินมาถึงสมาธิเพราะสมาธิมันไปส ง, งบไอ้กิเลสประเภทกลุ่มรุมใจสีนั้นส ง, งบเฉพาะกิเลสประเภททารักล้นออกมาข้างนอกแต่พอถึงสมาธิไปส ง, งบพวกนิวรได้พราะกิเลสกลุ่มรุมใจได้เพราะงั้นใจมันก็สะอาดมากกว่ามีผลเป็นความสุขมากกว่าผลบุญจึงมากกว่าพอถึงวิปัสสนานั้นไม่ใช่ส ง, งบกิเลสแต่เป็นการทําลายกิเลส สมถะนั้นสงบนะฮะสงบกิเลสทึ่งหมายความกิเลสมีแต่อยู่ข้างล่างเพราะสมาธิมันสงบไปพอถึงวิปัสสนาคือเห็นอนิจจสัญญาข้อนี้ทรงแสดงอนิจจสัญญาซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้ทุกขสัญญานาะตตสัญญาไม่เกี่ยวนะเกี่ยวทั้งหมดแหละเพราะในการปฏิบัตินั้นในความเป็นมากนั้นคือความเป็นหนึ่งในความเป็นมากนั้นคือความเป็นหนึ่งท่านวันก่อนเมื่อวันที่เท่าไหร่วันที่24เนี่ยนะเขาให้ไปอบรมเรื่องแก่นพุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตร พูดกันนักศึกษาบอกให้นักศึกษาลองดูว่ามันเหมือนกับเรารูปสามเหลี่ยมมามาเอาเอาด้านโคนะฮะด้านกว้างมาชนกันพระพุทธศาสนามีฐานรากอยู่ที่ข้างข้างล่างเนะี่ยคือความไม่ประมาทเท่านั้นเองจากความไม่ประมาทนันเพิ่มบูรความดีส่วนต่างๆกระจายอุปยุยยะและแต่เรียกแล้วเสร็จแล้วมันจะเริ่มสอบลงไปอยู่ที่ยอดยอดแหลมอีกสาเหลี่ยมด้านหนึ่งคือวิมุตจิตหลุดพ้นจากกิเลส แก่นพุทธศาสต ร, รส์จึงอยู่ที่ตัววิมุตต์จิตที่หลุดพ้นจากกิเลสแต่ไอการหลุดพ้นจากกิเลสมันมีหลายระดับเพราะงั้นแก่นจึงมีหลายชั้นศีลสาระแก่นคือศีลสมาธิสาระแก่นคือสมาธิปัญญาสาระแก่นคือปัญญาวิมุตติสาระแก่นคือวิมุตติวิมุตติญาณทัศสาระแก่นคือความรู้ความเห็นในวิมุตต์คือจิต เ, เราว่าจิตหลุดพ้นจากกิเลสเราต้องรู้เห็นนะฮะ ไม่ใช่ว่าไม่เป็นไรฉันไม่โกรธไม่เป็นไรฉันไม่โกรธ่อนหลังในอางไอ้นี่มันไม่มีวิมุติยานนะศาสนะแล้วบอกว่าไม่เป็นไรอะไรเราอาฆาตจะแก้แค้นเนี่ยใจมันไม่จริงอ่ะมันไม่หลุดพ้นจริงนี่นะต้องต้องมีสิ่งหนึ่งที่รู้ว่าเราหลุดพ้นจริงเราบอกไม่โกรธก็คือไม่โกรธจริงไม่หวงก็คือไม่หวงจริง นี่เป็นความหลุดพ้นจริงๆในในชีวิตประจำวันของเราเพราะงั้นไอ้ทุกสาระเนี่ยเราไม่สัมผัสเต็มตามสาระนะฮะแต่เราก็สัมผัสได้ทุกจุดระดับใดระดับหนึ่งโดยเฉพาะเช่นว่าเกิดความโกรธเกิดความ เ, เกิดจาระจาระสละกเนี่ยจาระช่วยการกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งสละไปแล้วนะตอนนั้นก็เต็มตื้นปีติปราโมทย์จิตหลุดพ้นจากความสนิทตรงนั้นแล้วมันเป็นวิมุตต์ตรงนั้นแล้ว จะไปถึงไปบ้านมือกายหน้าผากแหมไม่น่าจะล่วงมือหนักขนาดนี้นะปลายเดือนสงสัยจะมีปัญหาจะแล้วก็ไม่รู้อันนี้ชักยุคเลยฮนะเราจะเห็นว่ามันตัววิมุติศายยานทศนะมันมันมันก็เกิดวิเคราะห์จิตออกภาว่ที่จริงไม่ได้ไม่ได้สละดจริงก็ความขุ่นมัวก็เกิดขึ้นดังดังนั้นพอมาถึงจุดของตรงนี้ฮนะของอนิจจสัญญาที่ทรงยกนะ อย่าลืมว่าถ้าเราเห็นอนิจจังเราเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเห็นทุกขังเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาเห็นอนัตตาเห็นทุกขังเห็นอนิจจังไม่ต้องห่วงเห็นแล้วเห็นสักอย่างนะฮะให้เห็นสักอย่างเลยจะเห็นอย่างอื่นเองนี่คือระดับของวิปัสสนาปัญญาเพราะปัญญามันจะแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วไม่ได้มองเห็นเฉพาะจุดเดียวเราอาจจะมองรูปจุดเดียวนี่ฮเช่นเช่นเชไอ้สูตรง่ายๆที่ว่าทุกคนต้องตายนะทุกคนต้องตายสุดทางลอจิกนะฮะ ทุกคนต้องตายนายกอเป็นคนพระเจ้านายกอต้องตายที่ได้มีความที่นั่นมีไฟอะไรแต่สังนวนลอจิกเออเราก็เรียนรู้จากเราในว่าเราต้องตายแล้วเราเข้าใจในายกอนายขอสับพระสิ่งทั้งหลายที่มีชีวิตตอ้องตายเราจะเห็นว่าเราเรียนจริ ง, รงๆเราเรียนจะจุดย่อยที่สุดคือเราเท่านั้นเราไม่เรียนไกลแต่เราก็ดึงข้าหาอย่างอื่นได้เพราะอะไรเพราะปัญญามันกว้างขวางออกไปเวลาในพระสูตรที่เคยแสดงอนัตตลกนณสูตรวันก่อ น, อนทั้งหลายของนึกออก ที่ระพุทธเจ้าตายมาเลือดที่ตอนนั้นพระพุทจ้าตายที่อนัตตานะฮะไม่ใช่ตายเทียนนิจจังตายที่อนัตตาแล้วพอเสร็จแล้วพอช่วงที่สองข้านิจจังพอข้าอนิจจังแล้วข้าทุกขังพอข้าทุกขังแล้วก็สอนให้กระจายดูดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเร็วก็ดีเรวก็ดีประเี๊ก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีรูปทั้งหมดก็สักแต่ประทเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา ไม่ควรที่จะยึดถือว่าของเราว่าเป็นเราว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเธอทั้งหลายเพื่อเห็นด้วยปัญญาชอบอย่างนี้หมดกิเลสหมดเลยก็เข้าถึงความสมบูรณ์จริงๆนั้นเป็นคือพัฒนาการในด้านการปฏิบัติที่ทรงแสดงธรรมะไปโดยลำดับอย่างที่อามาเคยพูดมาบางก่อนว่าในพระพุทธศาสนานี้มันเหมือนก็มาสมุดที่ลึกลงไปโดยลาดับหรือ มันจะมาว่าเองนะพระสูตรว่ารู้เจ้าว่าแต่มามาเล่าให้ให้ความก็เดี๋ยวจะว่าธรรมะจ้คุณโสพลอีกเมื่อกี้กราดขึ้นหัวแล้วก็อะไรมีการศึกษาโดยลำดับมีการปฏิบัติโดยลำดับมีการบรรลุโดยลำดับก็เป็นลําดับไปอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าขึ้นมาจากฐานโน่นน่อฐานที่ซ่าหมองนี่ยนะฮะขึ้นมาตายมาเรื่อยๆฐานซ่าหมอง แล้วก็ผลจากทานท่าหมองก็คือตรงกันข้ามก็คือทานที่ประณีตประณีตอย่างไรนะประณีตในด้านใจในด้านเจตนาของของเราในด้านปัจจัยของเราปัจจัยของเราไม่ได้หมายถึงประณีตแต่ว่าหมายถึงได้มาโดยชอบทำแต่ประณีตด้วยก็ดีนะฮะประณีตด้วยก็ดีแล้วก็ชอบทำด้วยก็ดีเพราะมันมีทานอีกชุดหนึ่งเราอย่าลืมว่าการการมองปัญหานี่มันต้องต้องมองให้กระจายมองก็แต่วิดโดก็เหมือนกันต้องมองในแง่อื่นมๆอื่นด้วย ว่าถ้าพูดเฉพาะปัจจัยเนี่ยมันก็มีท่าสถานสหายิฐานสามีฐานสีระดับสามระดับ้าสถานนั้นก็คือให้ของวัตถุหยาบๆแต่เหมือนก็ให้คนใช้กินนะสายทานก็คือเรามีบริโภคอย่างไงเราก็กินอย่างนั้นถวายทานอย่างนั้นให้ทานอย่างนั้นไม่ใช่ถวายทานอย่างนั้นให้ทานอย่างนั้นแล้วก็สามีทานก็คือให้ของที่ดีแม้บางทีเราเองก็ไม่ยอมกิน อย่างตามมั่นนอกนี่ทำนาะคราแรกเกี่ยวข้าวคราแรกกันนึกถึงพระก่อนหุงมข้าวใหม่ไปถวายพระก่อนอย่าโยมบางคนเพื่อนพงของมาจากต่างประเทศแทนที่จะกินเองนึกถึงพระเอามาถวายพระเนี่คือประเภทพวกสามีฐานนี่พู้เฉพาะวัตถุนะพู้เฉพาะวัตถุเพราะ ง, งั้นแต่ถ้าวัตถุประณีตใจไม่ประณีตก็สู้ใจที่ประณีตแต่วัตถุไม่ประณีตไม่ได้เพราะตัวการทําการก็อยู่ที่ปัจจัยแล้วเราจะพบว่า การให้ทานนั้นมีความเกี่ยวข้องกับคนอื่นอยู่ด้วยมีข้องกับคนอื่นกับสิ่งอื่นอยู่ด้วยดังนั้นในฐานะนิสัง ส, สูตรคือสูตรที่ว่าโดยอ น, นิสงส์ของทานจึงแสดงว่าการให้ที่บุคลคลไข้ครวนแล้วจึงให้พระุทธเจ้าสครรเสริญใข้ครวนใอใคข้ครวนเรื่องหรือสิ่งหรือวัตถุที่เราจะให้หรือบุคคลที่เราจะให้ต้องดูไม่ใช่ว่าให้ด่า ถ้าชั้นทำบุญก็ไม่ให้ด่าชั้นสงเคราะห์นั่นก็ให้ด่าได้แต่ถ้าชั้นจะบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลกันแล้วเป็นประเภททานน้ำใหมจริงๆนะฮะไม่จะเพศประเภทจากพะประเภทบริจาคประเภทบริจาคนั้นก็เป็นการสงเคราะห์อนุเคราะห์กันไม่ได้แปลกอะไรคือคนคนก็จะเป็นยังไงกิเลสยาบาปนาจะยังไงเราก็ช่วยเหลือกันน ะ, ะพวกนี้ก็เป็นในในแง่ของทานก็เป็นทาน แล้วก็มีผลมีอานิสงส์ซึ่ ง, งทรงรงเรียงไว้อีกชุดหนึ่งนั่นในทักษิณาวิพัฒสูตรอันนั้นไต่ไปจากสัตว์ดิเรกชันเลยไต่ไปเฉพาะฐานโดยเฉพาะก็ไตยเป็นชันช้นๆก็เน้นที่ฐานเพราะอะไรเพราะคนฟังอยู่ในระดับฐานแต่นี้ไปเทศกับท่านนาตบินติกะท่านนาตบินติกะท่านเป็นพระโสดาบานันเพราะงั้นพระพุทธเจ้าก็ตายขึ้นแล้วก็าหาธรรมะเลยก็าหาธรรมะไปสมถาไปวิปัสสนาหายไปเลยแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปท่านทั้งหลายจะพบว่าในเวลามาสูตรเนี่ย จาตัวอย่างเวลามาพราหมณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงสดแสดงโดยยกพระองค์ชีว่าประวัติของพระองค์ในอดีตนั้นว่าในกรณีของการทําทานแม้แต่วัตถุมันประนีสุดยอดนะฮะเวลามาพราหมณ์เรียกงประนีสุดยอดคือในชมพูทวีปสมัยนั้นไม่มีใครทําได้ของนี่ทรงแจกแจงหมดทุกชิ้นนะฮะว่าอันนั้นจํานวนกี่หมื่นอันนั้นจำนวนกี่แสนอะไรกี่แสนชิ้นนี่บอกหมดเลยประนี้เดือดเกินในราคาเนี่ยโอ้ยจะเป็นร้อยล้านพันล้านนะแต่อะรแต่เกิด ไอ้ที่นามันไม่มีปุ๋ยเลยที่นามนไม่มีปุ๋ยเลยว่านพืชอย่างดีลงไปแล้วพืชนั่นเลยเตี้ยแคลนแก้นหมดเลยนี่คือต้องอิงอาศัยบุคคลที่รับหรือสถานที่ที่รับแต่ทีนี้การเลือกเฟ้นเหล่านี้เราจะพ่อป้ามันอยู่ที่ตรงไหนฮะอยู่ที่การทำใจมุ่งบุญมุ่งกุศลมุ่งให้เป็นประโยชน์เกือกูล แก่บุคคลเป็นนันมากตามแนของศาสนานี่ยในของศาสนาอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าอีกก็ดีพระสงฆ์ก็ดีชาวบ้านก็ดีเนี่ยมุ่งที่ให้เกื้อกูลแก่คนมากพระพุทธเจ้าเองบำเพ็ญมาบารมีมาก็เพื่ออะไรเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายพระสงฆ์สาวกไปประกาศศาสนาให้ทํำยังไง ดูก่นภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอนันมากเอา อ, าอีกอะก็จุดปฏิบัติมันก็มุ่งไปในแนวนั้นแล้วทีนี้พุทธศาสนิกชนก็เหมือนกันก็ทรงสอนในแนวที่จะทําให้มันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่คนเป็นอนันมาก แล้วก็มีการกระทํำเป็นนั้นมากที่เรามองเห็นผลอานิสงส์ที่จะเกื้อกูลในชั้นตัณหานนะอะไรก็ตามนะฮะพวกโรงพยาบาลสถ า, านนักสถ า, านต่างๆที่สงสแสดงว่าดีกว่าถวายของแกพระพุทธเจ้านี่เปิดโอกาสกว้างเลยเปโอกาสกว้างโรงรําโรงเรียนคือคื อ, ค, อคือเรียกว่าแต่อย่าลืมนะมันมันมันสัมพันธ์กับทักกิณยาบุคคลเพราะมันยั ง, ย, ง, ย, งยังอยู่ชั้นฐานอยู่คือคนที่อยู่ที่ใช้สถ า, านที่นั้นจะต้องมีศีลมีกนะันญะาะครับเพราะเรามุ่งในการ ทำบุญจึงทรงใช้คําว่าอุทิศสง์ที่มาจากจาตุระชิตโดยไม่เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งทุกขั้นตอนของการปฏิบัติในเวลามาสูตรนี้เป็นเรื่องที่เราสัมผัสกันอยู่ในชีวิตประจําวันแล้วก็พร้อมที่จะไต่อันดับได้ไปเรื่อยๆนะฮะทใจสงบด้วยเมตตาที่บ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรสัลักษณะรุนแรงเหลือเกินนะฮะคือถ้าเราไม่อยู่กันด้วยเมตตา แล้วก็คงจะมีปัญหามากและเรื่องเมตตาก็ต้องเน้นกันมากยังไงก็มีเสียงดังไปบ้างก็เมตตาช่างแก้เด็กแกกําลังสนกําลังสนุกสนานนะไปยังมานี่ไปเทศวันก่อนคือเกื้อมานี่เวลาเทศแล้วเนี่ยมาทําใจได้ทุกอย่างเวลาคนเขาหลับบางคนเขาหลับเราวอกเออนั้นดีนะลูกลูกเขากินอิ่มนอนหลับดีนะมันสามารถหลับได้เนี่ยสุขภาพก็ก็กดีเราก็อนุโมทนาเขาได้นะฮะ เขาคุยเราก็อัิโมทนาเขาได้ว่าเออเขาก็มีเรื่องอยากต้องคุยก็ก็คุยกันเดียวก็หมดบทเรื่องไปแต่เขาตั้งใจฟังเราการโมทนาก็ได้คือเราต้องทําใจได้ถ้าไม่งั้นแล้วเราจะเดือดร้อนเพราะคนฟังเราจะเดือดร้อนกับคนเหล่านั้นไปแล้วก็สูญเสียเวลาเราจะต้องต้องทำใจได้คือต้องมองด้วยเมตตาคือมองมองให้ให้เห็นว่านั่นก็คือความสุขสุขียตานังบริหารรันตุเนีบริหารตนให้อยู่เป็นสุข แต่คนต้องการสุขโดยการนอนเขาเขาก็สุขเขาแล้วนะสุขโดยการคุยก็ก็สุขเขาแล้วสุข้วยการฟังก็ก็สุขก็แล้วเลยเราสบายะเราลอยตัวจากเรื่องเหล่านั้นได้โดยไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับเขาอ่ะเพราะต่างคนต่างมาทําหน้าที่เราก็บอกให้มาพูดเราก็พูดนะคนฟังก็หลับกับเรื่องของเขาคุยก็เรื่องของเขาตั้งใจฟังก็เรื่องของเขาเวลานี้เราก็มีหน้าที่เหมือนกับฝนตกจะตกลงมาแค่จะรับไม่รับมันก็เรื่องของเขาแต่เราก็ตกแล้วฝนทําหน้าที่เรียบร้อยแล้วก็ท่านนั้น แล้วเราจ ะ, จะเห็นว่าเราจะสบายทุกสถานการณ์เลยไม่ว่าอะไรก็ตามเมื่อวานไปพูดเนี่ยฮะมุสลิมครึ่งหนึ่งไทยครึ่งหนึ่งแต่ก็มีปัญหาอยู่หน่อยก็เลยพูดอยู่ได้สองชั่วโมง15นาทีนะขนาดมีปัญหานั้นถ้ามีปัญหา3ามชั่วโมงกว่าปกติต่างจังหวัดเป็นเรื่องชิดดีเหลือเกินว่าตั้งใจฟังกันมากแล้วก็มาล้อมจนต้องรีบขึ้นรถกลัวจะขึ้นเครื่องบินไม่ทัน คนแถวนั้นมีความสนใจคนมุสลิมเองก็สนใจสนใจแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยในเรื่องศาสนาเป็นคําถามที่ไม่น่าเชื่อนะมาถามมาตอบปัญหามาเรียกว่าทุกทุกภาคของประเทศแต่ไม่ใช่ทุกจังหวัดจังหวัดนราธิวาสตอบปัญหาดีพอๆกับจังหวัดพิศนุโลถามปัญหาดีพอๆกับจังหวัดพิศนุโลกคือส่วนมากพวกครูเนี่ยเขาเก่งอย่างนลยครับเวลาถามปัญหาในเรื่องตัวเองไม่เคยถามเลย ถามแต่เรื่องคนอื่นแล้วก็ด่าพระนี่อันดับหนึ่งเลยพวกครูประชาบาลนี่ยอดเยี่ยมมากเลยนาราธิวาสไม่ค่อยมีเลยเมื่อวานถามแต่ข้อที่แกคล้องใจแกสงสัยเท่านั้นเป็นปัญหาที่ดีเหลือเกินนี่แสดงให้เห็นว่าแม้จะไกลไปลิฟต์นะะแต่ก็ความสำนึกในเรื่อง เรื่องเรื่องการอยู่ร่วมกันเพราะพวกนั้นสภาพแวดล้อมมันจําเป็นจะต้องมีเมตตากันมากๆนะฮะมินั้นก็เกิดจลาจนเรามามันครึ่งครึ่งครึ่งึกันอยู่นะแล้วก็พวกอิสลามเขาก็มากกว่าแต่เขาก็อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุดเพราะมีเมตตาต่อกันเพราะ ง, งั้นอย่างเมตตาจิตที่ทรงแสดงว่าดีกว่าศีลเนี่ยบางทีศีลเราขาดแล้วก็เมตตาไว้นะเมตตาไว้เป็นหลักใจว่างๆพอพิจารณาเห็นไตรลักษณ์ได้ก็พิจารณาสะสมไว้ภายในใจนะฮะ เวลาผัวตายเมียตายลูกตายจะไม่ร้องไห้สามวันเจ็ดคืนอย่างที่บุคคลบางคนประสบอยู่บางทีก็ร้องไห้มาราธอนเหมือนการทําลายสุขภาพตัวเองเมียก็ตายไปแล้วผัวก็ตายไปแล้วแล้วเราก็จะซุดโทมจะตายเร็วขึ้นไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาแต่ถ้าเราวิปัสสนานจจะสัญญาได้นะใจเราก็จะสงบได้สำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ได้เวลาเพียงต้น